จิเลตนะมันน่ากลัวนะความต้องการของคนแต่ละคนมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยมันตอบสนองเท่าไหร่มันก็ไม่พอพระเจ้าเลยสอดเรามาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ถึงจิตใจของเราเองถึงจุดหนึ่งมันควบคุมความต้องการส่วนเกินได้ความต้องการที่ไม่จำเป็นเนี่ยเยอะมากเลยนะ ต้องการมากมันก็ไม่พอกันก็เบียดเบียนกันรวนะมความแล้วมันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวนะสัตว์ทั้งหลายธรรมชาติโดยธรรมชาติมันเห็นแก่ตัวทั้งนั้นนะนะพวกเราด้วยเราก็ตกอยู่ใต้ความเห็นแก่ตัวเองนะเป็นทุกคนอนะ่นะไม่ว่ากันหรอกนี่นักปราชญ์ทั้งหลายก็หาทาง ที่จะลดละตัวตนของตัวเองลงด้วยวิธีการต่างๆมากมายบางคนก็ใช้วิธีทรมานร่างกายเลยมันรักตัวเองมากเหรอมันอยากกินกไม่กินมันอยากนอนก็ไม่นอนมันอยากสุขสบายนะพามันนั่งบนตะปูซะบ้างอะไรบ้างทรมานมันแต่วิธีนั้นมันก็เหนื่อยนะเหนื่อย มันไม่สามารถล้างกิเลสส่วนลึกๆได้ส่วนเราทรมานร่างกายนะเราบอกจะเผาผลาญกิเลสลึกลงไปนะในใจมันก็คอยคิดนะว่าสักวันหนึ่งเราจะดีทำได้แล้ววันหนึ่งดีมันอดมีเราไม่ได้อย่างถ้าเราภาวน า, นะาเราอดข้าวเก่งกว่าคนอื่นมันอดภูมิใจไม่ได้นะมีพระ ก็มาถามท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อไม่เคยทําข้อวัดแบบดูเดือดเลยรหรอกพาวนา ง, ง่ายๆแบบพวกเราชาวเมืองนะไม่เคยพาวนาดุเดือดท่านบอกอย่างอดข้าวนะมันจะหิวอยู่สี่วันพอพ้นวันที่สี่ไปแล้วไม่หิวละอยู่ไปได้เรื่อยๆนะอยู่จนแห้งตายไปเลยก็ไม่หิวหรอกนะนี่บางองค์อดทีหนึ่งสิบห้าวันเลยนะ อดนานๆเข้าครูบาอาจารย์ก็ต้องสั่งให้ไปกินข้าวบ้างท่านก็ไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีจุดสําคัญก็อยู่ที่ว่ารดละกิเลสตัวเองไหวไหมบางท่านอดข้าวนะแล้วสติท่านเกิดบ่อยรู้เนื้อรู้ตัวดีจิตใจกระปรีก้กระปล่าภาวนาดีงานหลักของท่านก็คืองานทางจิตไม่ใช่งานอดข้าว นี่ถ้าไปคิดว่างานอดข้าวงานอดนอนงานทรมานเป็นงานหลักเนี่ยเข้าใจผิดละบางทายบางท่านท่านอดข้าวบางท่า น, ท, านท่านอดนอนแต่และองค์ไม่เหมือนกันท่านทําอย่างไหนแล้วสติท่านเกิดบ่อยนะท่านก็ทําแต่ท่านก็ดูขอบเขตจํากัดของร่างกายด้วยอดนานไปก็ต้องพามากินข้าวบ้าง ไม่นอนเลยก็ไม่ดีเลยนะเคยเจอหลวงพ่อทุยนะท่านเล่าว่าท่านอดข้าวได้แต่ท่านอดนอนไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจําไปจะมาจับกับข้างท่านบอกถ้าท่านอดนอนวันหนึ่งนะท่านต้องนอนชดเชยสามวันเนะ่ะมันมืนไปหมดเลยนะงั้นงานหลักจริงๆของท่านคืองานทางใจไม่ใช่งานว่าทรมานตัวเอง ไม่เหมือนอย่างสมัยก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะีที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านทรมานร่างกายท่านคิดว่าถ้าทรมานร่างกายมากๆแล้วมันหมดความรักหมดเยื่อใหญ่ในร่างกายแล้วมันจะหมดกิเลสเนะีเพราะมีร่างกายนะมันก็ยังมีกามมีกามยังเที่ยวสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรทั้งหลายไปอีกจิตใจก็ไม่มีความสุขก็นะทรมารยัน อดกินอดนอนแบบไหนเป็นอัตตาคิลมัตฐานุโยกแบบไหนไม่ใช่อัตตาคิลมัตฐานุโยกแบบที่ทําทรมานตัวเองระหว่างว่าการทรมานจะทําให้ตัวเองดีอันนี้เป็นอัตตาคิลมัตฐานุโยคทรมานแต่บางท่านภาวนามีข้อวัดที่เข้มงวดมากเพื่อให้สติสมาธิปัญญาเกิดอันนี้ไม่ใช่การทรมานแบบอัตตาคิลมัตฐานุโยค แต่เป็นทุกขาปฏิปทานะเหมาะกับท่านเองเพื่อว่าสติสมาธิปัญญาจะได้ว่องไวให้นะเราดูตรงนี้นะไม่ใช่ว่าเห็นอดข้าวเราก็อดตามเห็นอดนอนเราก็อดตามนะเห็นทำอะไรทรมานทรมานเราทำตามไปแล้วคิดว่าเป็นการปฏิบัติก็ไม่ใช่นะคุณดำเกิืงเป็นลูกศิษย์เจ้าคุณนอนะ่ะมันเล่าให้หลวงพ่อฟังนะบอกท่านเจ้าคุณนอเนี่ยเวลาท่านนั่งฟังเทศ บางครั้งที่วัดเทพศรินะมีเทศโต้รุง่งแ้วคุณน่อยไปนั่งฟังเทศบอกตั้งแต่หัวข้ามจนสว่างนะถ้านั่งพับเพียบเนี่ยท่านพลิกครั้งเดียวให้เรานั่งคงพลิกไปเรื่อยๆนะเราทนไม่ไหวท่านก็สอนบอกว่าท่านไม่ได้นั่งแบบอาตาัตตากิรมฐานนะิยม จิตใจพอสงบนะนั่งได้นานสบายอันนั้นไม่ใช่อัตตากิลมัทฐานุโยคแต่จิตใจฟุ้งซ่านอยู่ไม่มีความสงบเลยทรมานแล้วก็ฝืนใจที่จะนั่งตามคนอื่นเขาอันนี้เป็นอัตตากิลมัทฐานุโยคนะให้เราก็เลือกดูนะเลือกดูแค่ไหนพอหมาพอควรสําหรับแต่ละคนนะตามใจกิเลสไปเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยดนะีทรมานตัวเองมันก็ไม่ถูกนะ ตรงไหนพอดีพอดีก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะจุดของความพอดีนะกินมากนอนมากอะไรเงี้ยมากเกินไปสติสมาธิปัญญาไม่มีนะให้เราดูแค่ไหนพอดีพอ ด, พอดีทรมานมากไปสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีเหมือนกันนะนี่บางคนก็เห็นว่าเป็นทรมานตัวเองนะมันก็ขัดเกลารตัวเองได้ไม่ดีเท่าไหร่ยังเห็นแก่ตัวอยู่อีก ไปทรามานตัวเองก็เพื่อให้เราดีนั่นแหละก็หาทางคิดต่อไปอีกทํำยังไงนาะจะลดละอัตราตัวตนได้ถ้างั้นไปทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดีกว่ายอมเหน็ดเหนื่อยเนี่ยบางคนมีสํานวนเพลาะมากเลยบอกให้เหงื่อล้างกิเลสไปทํางานนะสังคมสงเคราะห์ไปทํำน้นทํำนี่บางที่ก็แย่งกันล้างซ้วมนะบางวัดบางที่ เพราะว่าบางคนไปล้างห้องน้ําเนี่ยเรารู้สึกว่าดีจังเลยนะจิตใจเนีกิเลสเบาบางลงอนะไรเงี้ยคนอื่นได้ยินก็แย่งกันล้างกันเนี่นะต้องมีโคต้านะเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันละเนะหี่ยเลยเราจะเห็นว่าชาวพุทธเรานะจํำนวนมากเลยหลังๆนะพระสองฆอง์เจ้าอะไรนะท่านมาทํางานสังคมสงเคราะห์กันเยอะทำความสังคมสงเครานะห์ หรือบางทีก็ทำงานนะช่วยเหลือสังคมอย่างน้นอย่างนีนะ้ทำไปด้วยความรู้สึกว่าลดละความเห็นแก่ตัวลงก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าไม่ทำเลยนะมันมีวิธีที่ลดละความเห็นแก่ตัวที่ตรงเป้าที่สุดเลยนะก็คือมาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราให้ได้ซะก่อนนะนี่เป็นวิธีในขั้นที่สูงที่สุดเลยนะดีกว่าไปทรมานตัวเอง ดีกว่าแค่ว่าไปทาเสียสละเสียสละความสุขความสบายส่วนตัวไปช่วยเหลือผู้อื่นเลยอันนั้นดีไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเรียนรู้ลงมาในกายเรียนรู้ลงมาในใจเรารู้สึกกายนี้คือเราใจนี้คือเรามาเรียนรู้มันบ่อย ทำไมมันเห็นแก่ตัวเพราะมันคิดว่าร่างกายเนี่ยนำความสุขมาให้มันก็รักร่างกายทำไมมันเห็นแก่ตัวมันคิดว่าจิตใจเนี่ยมีความสุขไดนะ้ก็เที่ยวหาความสุขมาให้จิตใจอย่างบางคนไปตกปลาไปอะไรอย่างเงี้ยนะสบายใจจรนะิงๆก็คือต้องการความสุขทางใจ ในการที่เราต้องการความสุขในร่างกายต้องการความสุขในจิตใจเพราะเรารักมันที่เรารักมันเพราะเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราแล้วก็มันนำความสุขมาให้ถ้าเรามาเจริญสติเจริญปัญญารู้สึกลงในร่างกายรู้สึกลงในจิตใจรู้สึกบ่อยๆดูิจริงๆร่างกายเป็นของดีของวิเศษจริงหรือเปล่าจริงๆจิตใจเป็นของดีของวิเศษจริงหรือเปล่ามาดูของจริง การดูให้เห็นความจริงนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะเป็นการทำวิปัสสนาดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจตัวเองนะความจริงมันมีอะไรบ้างนะร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันทนอยู่ไม่ได้นะมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวตนถาวร จิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงหมุนเวียเนเปลีป่ยนแปลงจิตใจเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงได้ดีกว่าร่างกายอีกนะเพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมากเลยนะจิตเกิดดับ17ขณะนะรูปถึงเกิดดับหนึ่งคราวหนะึ่งครั้งดังนั้นะจิตใจนี่เกิดดับเร็วแสดงอ น, นิจจังง่ายถ้าดูจิตดูใจจะเห็นอ น, นิจจังง่ายนะดูกายนี่จะเห็นทุกข์ง่ายถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลย ดูกายก็เห็นอนัตตาง่ายมันเป็นก้อนธาตุดูจิตก็เห็นอนัตตาง่ายเห็นว่าเราบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้นะว่าให้จิตมีแต่ความสุขอย่ามีความทุกข์เราสั่งไม่ได้เราสั่งไม่ได้ว่าจิตจงมีแต่ความดีอย่ามีความชั่วเราสั่งไม่ได้ตรงที่เราสั่งไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เราบังคับไม่ได้จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเป็นไปตามเหตุของมัน อย่างมันได้รับกระทบอารมณ์ที่ดนะีกระทบอารมณ์ที่ดีขึ้นมามันก็มีความสุขอารมณ์ที่ดีเลือกได้ไหมเลือกไม่ไดนะ้อย่างตาเรามองเห็นตาเรามองเห็นสวยๆ ง, งามๆเห็นดอกไม้สวยงามนี่จิตใจมีความสุขตาอันเดียวกันนั่นแหละทีก็เห็นของไม่สวยไม่งา ม, มก็ไม่มีความสุขนะล่เราก็เลือกไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้จริงหรอก แล้วแต่เวณแต่กรรมนะจะเจอของที่ดีหรือเจอของที่เลวอันนี้เป็นวิบากนะเป็นวิบากทำบุญมาเยอะเจอแต่ของสวยสวยงา ม, งามนะทำบาปมาเยอะเจอของไม่สวยไม่งามเจอปัญหามากมายนะนั่นเราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นผัสสะเมื่อผัสสะเลือกไม่ได้เวทนาก็เลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้ว่าจงมีแต่อารมณ์ที่มีความสุขจงอยากเกิดอารมณ์ที่มีความทุกข์ ภาษาเลือกไม่ได้เวทนาก็เลือกไม่ได้เพราะเวทนาเลือกไม่ได้เนี่ยถัดจากนั้นก็เลือกไม่ได้อีกเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสติปัญญาจะเกิดมารู้ทันหรือราคะจะเกิดสั่งไม่ได้อีกเลือกไม่ได้อีกนะแล้วแต่จิตจะเคยชินในขณะนั้นกุศลกำลังจะเกิดขึ้นมานะก็เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมามีความสุข พอมีความสุขขึ้นมาแล้วมีสติปัญญาเห็นความสุขเป็นแค่นมามธรรมอันหนึ่งเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับไปบังคับไม่ได้ไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาจิตก็ไม่เข้าไปเสวยเวทนาไม่หลงพลื้มไปมีความสุขก็ไม่หลงระเริงไปจิตใจสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่เป็นอิสระไม่กระเพื่มขึ้นเพราะเวทนาเพราะสุขเวทนา หรือเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเจออารมณ์ที่ไม่ดีความทุกข์เกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นบางทีก็โทสะแทรกเข้ามาไม่พอใจไม่ชอบที่มีความทุกข์เกิดขึ้นอันนี้โทสะแทรกนะโทสะจะแทรกหรือไม่แทรกเราก็เลือกไม่ได้อีกนะหรือบางคนเกิดกุศลขึ้นมามีความทุกข์ในกายมีความทุกข์ในใจเกิดขึ้นสติปัญญามันเกิดขึ้นมา มันเห็นว่าความทุกข์ในกายในใจเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนนี่มีปัญญาเกิดขึ้นนะจิตก็ไม่เข้าไปสเสบยเวทนาคือไม่ทุรนทุรายไปกับความทุกข์อันนั้นในจิตก็เป็นอิสระขึ้นมาจากเวทนาแต่ถ้าสติปัญญาไม่เกิดขึ้นนะพอความสุขเกิดขึ้นราคะก็แทรก พอความทุกข์เกิดขึ้นโทสะก็แทรกแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโมหะก็แทรกคือหลงความสุขเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเราสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเราทุกข์นี่มีโมหะหลงหลงว่ามีตัวมี ต, มต น, นมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาพอกิเลสมันแทรกแล้วใจมันจะเกิดความอยากขึ้นมาเช่นความสุขเกิดขึ้น ความพอใจก็เกิดขึ้นยินดีพอใจนะพอยินดีพอใจแล้วเนี่ยมันก็อยากอยากให้ความสุขอยู่นานๆอยากให้ความสุขเกิดบ่อยๆพอใจเกิดความอยากนะใจก็เกิดการดิ้นรนสแสวงหาความสุขเมื่อใจเกิดการดิ้นรนแสวงหาความสุขนะความทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นนะความทุกข์มันจะตามมาโดยอัตโนมัติเลย ถ้าใจมันดิ้นเมื่อไรนะใจก็ทุกข์เมื่อนั้นมีสุขเวทนามีความสุขเกิดขึ้นนะราคาก็แทรกราคาแทรกมินยินดีพอใจมียินดีพ อ, ใ จ, พอใจขึ้นมามันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากให้หายไปมีความทุกข์เกิดขึ้นมาโทสะแทรกอยากให้มันไม่เกิดอยากให้มันหายไปทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นในใจความดิ้นรนจะเกิดขึ้นในใจ ความดิ้นรนในใจเนี่ยเรียกว่าพบใครเคยได้ยินคำว่าพบบ้างพอสพาเภาพอผานนะใครเคยเห็นพบบ้างเออก้าหารหน่อยหลายคนเห็นมาแล้วพบนะไม่ใช่พอผานเบาใบ ไ, ไม้นะพบนะมีสองแบบนะพบโดยการเกิดเช่นโดยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นภูมันหนึ่งนะ เกิดเป็นเทวดาอะไรเงี้ยเรื่อเกิดทีหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งเป็นพบภายในใจของเราเกิดดับทียิบเลยใจของเราหนะ่ะหมุนเวียนไปในพบน้อยพบใหญ่ตลอดเวลาพบน้อยน้อยะอะตายแล้วไปเกิดในนี้เป็นพบใหญ่ๆภายในพบใหญ่ๆในหนึ่งชีวิตของมนุษย์นี่ภพใหญ่ๆมีพบน้อยๆอยนับไม่ถ้วนใจของเราบางทีก็เป็นมนุษย์นะมีศีลมีธรรมเขาเรียกมนุษย์มนุษย์ บางทีใจของเราก็มีความโลภเรียกมนุษย์สเปตโตมนุษย์เปรตนะบางทีก็เป็นใจของเรามีความทุกข์มีโทสะขึ้นมาเรียกมนุษย์นรกมนุษย์นิรโยใจขณะนั้นเป็นสัตว์นรกเป็นพบย่อยๆนะพบก็คือการทํางานของใจความดิ้นรนของใจนั่นเองถ้ามันดิ้นไปเพราะว่าโทสะนะในขณะนั้นเราก็เป็นสัตว์นรกแนละ้วร่างกายเรายังเป็นมนุษย์ใจเราเป็นสัตว์นรกตกนรกทั้งเป็น ในขณะนั้นโลภะแทรกอยู่นะใจเราหิวโหวยขณะนั้นเราเป็นเปรตร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปนะเรตก็มันดิ้นรนแบบเปรตในขณะใดใจของเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นทิฏฐิมานะมากนะขณะนั้นเราอยู่ในภพของอสุรกายนะอสุรกายกับเปรตจะต่างกันอสุรกายกับเปรตเนี่ยเกิดด้วยโลภะเหมือนกันแต่โลภะคนละชนิดนะ เปรืเนี่ยเป็นโลภะธรรมดาอสุรกายเนี่ยเป็นชิธิเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นนะผู้ชายจะเป็นอสุรกายมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงเป็นเปรืมากกว่าผู้ชายสำรวจใจเราดูใช่เปล่าสังเกตนะผู้ชายยิ่งแก่นะยิ่งเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นมากเลยนะอันนี้สังเกตมาจากบรรพบุรุษอนะ คนอื่นอาจจะไม่เป็นก็ได้นะไม่มีตํารารองรับหรอกผู้ชายนะเซลลจัดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะส่วนผู้หญิงนะจะหวงโน้นหวงนี่ไปเรื่อยทั้งหวงทั้งหวงอะไรอย่างนะีนดด้นะขณะใดใจของเรามีศีลมีธรรมนะใจเป็นมนุษย์เราอยู่ในภพมนุษย์ขณะใ ด, ดใจของเรามีฮีรีมีโอตตะปะนะไม่กล้าทําผิดศีลเลยถึงไม่มีคนเห็นก็ไม่กล้าทํานะใจของเราเป็นเทวดาขณะใ ด, ดใจของเราสงบ อยู่ในอารมณ์มันเดียวขนาดนั้นใจของเราเป็นพลมนะนั่นมันมีพบย่อยๆก็คือการทํางานของใจ น, นั่นเองพบทั้งหลายนะัมันเกิดมาจากตัณหาทั้งสิ้นนะความอยากของจิตนะตัณหาก็มาจากรักเง่ามาจากเวทนาเวทนากรักเง้าก็มาจากผัสสะการกระทบอารมณนะ์นี่มันสืบเนื่องเป็นลูกโซ่อยู่อย่างเนี้ยนะพอจิตใจของเราดิ้นรนอยู่ในพบเมื่อไหร่นะชาติ คือความมีตัวมีตนก็เกิดขึ้นคำว่าชาติเนี่ยถ้าไม่ได้ภาวนาจริงๆนะเห็นยากชาติเนี่ยคือการที่จิตเนี่ยมันเข้าไปหยิบเฉวยรูปธปรรมนามธรรมาขึ้นมารูปธรรมนามธรรมาจริ ง, รงๆมันเหมือนเหมือนกระติกน้ําเนี่ยวางอยู่นี่พระอราหันต์ก็มีรูปธรรมนามธรรมาแต่ท่านไม่หยิบเฉวยขึ้นมาะของเราเนี่ยพอจิตสร้างภพนะั้นดิ้นรนขึ้นมานั้นตะครุบมาเลยตะครุบ จะไปะยึดเอารูปธรรมนามมาทำขึ้นมานะมาเป็นตัวกูของกูไปยึดขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดเลยทันทีที่หยิบออกมาหยิบเอารูปธรรมนามมาทำขึ้นมาขณะ น, นั้นความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยชาติเกิดเมื่อไหไร่ทุกข์เกิดเมื่อนั้นเพราะอะไรเพราะรูปธรรมนามมาทำนั่นแหละตัวทุกข์เป็นตัวที่เป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวหนักเป็นตัวที่เป็นภาระ มีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งบอกพระอริยะเจ้านะวางภาระลงแล้ววางของหนักลงแล้วท่านบอกขันห้าเป็นภาระขันห้าเป็นของหนักขันห้าก็คือรูปธรรมนามธรรมนี่เป็นของหนักพระอริยะเจ้าคือพระอรหันนะวางของหนักลงแล้วแล้วไม่หยิบเวยขึ้นมาอีกท่านก็หมดภาระหมดของหนักในใจส่วนเรานะพอมีผัสสะเราเกิดเวทนามีเวทนานะ กิเลสแทรกไปแล้วก็เกิดตันหาอยากไปตามอำนาจของกิเลสจิตใจเกิดการดิ้นรนทํางานเรียกว่าพบเกิดการหยิบฉวยเกิดการตะครุบหยิบเอากายหยิบเอาใจขึ้นมาเป็นตัวชาติเมื่อหยิบเอากายเอาใจขึ้นมาแล้วความทุกข์เกิดขึ้นแล้วค่ะนี่ความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจแน่นอน น, นี่ถ้าเรารู้กระ บ, บวนการของมันนะเราค่อยๆสังเกตไป เมื่อตามองเห็นรูปอะไรเกิดขึ้นในใจตามองเห็นแนะ้วมีความสุขเห็นรูปอันนี้มีความสุขมีสติรู้ทันนะต้องค่อยๆฝึกนะมันถึงจะรู้ทันถ้าไม่ฝึกไม่เคยสนใจดูมันจะเกิดแต่กิเลสพอความสุขเกิดราคะก็เกิดความทุกข์เกิดนั้นะโทสะก็เกิด ถ้าเราเคยฝึกนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเยน็นร้อนอ่อนแข็งนะใจกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างที่ไม่ดีบ้างเนะพราะมันกระทบอารมณ์แล้วมีผัสสะนะกระทบอารมณ์แล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นในใจนะตามองเห็นอย่างนี้ความรู้สึกทางใจเกิดอย่างนี้ ตามองเห็นอย่างนี้ความรู้สึกทางใจเกิดอย่างนี้งั้นเมื่อตามองเห็นรูปความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นมีสติรู้ทันฝึกอย่างนี้นะเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นมีสติรู้ทันได้ยินเสียงชมใจพองเลยได้ยินเสียงด่านะใจแป้วเลยก็มีใจเดือดเลยก็มีถ้าด่านิดหน่อยใจแป้วดามากๆใจเดือดนี่เรามีสติรู้ทันนะ ใจมันพองขึ้นมาก็รู้ใจมันแป้วไปเหี่ยวไปก็รู้ใจมันโมโหขึ้นมาก็รู้ใจมันรุ่งแฟานขึ้นมาก็รู้ใจของเรานี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะตามการกระทบอารมณ์นะงั้นตามองเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วเนี่ยมันจะไม่ปรุงพพปรุงชาติต่อไปถ้ารู้ไม่ทันมันจะปรุงพปรุงชาติปรุงทุกต่อไปนะ รู้ทันเช่นเห็นอะไรสวยๆมาใจมันยินดีใจมันชอบมีความสุขขึ้นมารู้ทันว่าใจมีความสุขแนละ้วมันยินดีพอใจมีความสุขขึ้นมารู้ทันเลยราคาจะไม่แทรกเข้ามาจิตใจจะไม่มีความอยากไม่อยากให้มันอยู่นานๆเห็นสาวสวยเดินมานะอยากให้สาวอยู่ตรงนี้ทั้งปีเลยไม่อยากให้ไปที่อื่นเลยนั้นต้องเป็นสาวง่อยแนละ้วไปไหนไม่ได้พาสาวเป็นง่อยก็ไม่เอาอีกแล้วใช่ไหม เห็นซ้ำๆทั้งปีเขาไม่เอาละใครเคยเป็นบ้างชอบเพลงสมัยก่อนหลวงพ่อเคยฟังเพลงเหมือนกันปกติไม่ได้ชอบเพลงเท่าไหร่หรอกนะนานๆแหมมีเทปสมัยน้นไม่มีซีดีหรอกมีแต่เทปโอ้โหเทปนี้เพราะจังเลยนะเพลงนี้เพราะไปซื้อมาฟังเพลงนี้เพราะนะฟังจบแล้วฟังอีกรีเพลย์อยู่นั้นฟังแล้วฟังอีกฟังไปนานๆเพราะไหม ไม่เพลาะเลยฟังไปนานๆ น, น, นะเบื่อต่อไปสีอิสเอียนเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งตามวัดชอบเปิดเพลงของทิเบตเลยจําได้ไหมเปิดแม่ฟังทีแรกก็เพลาะใช่ไหมฟังทุกวันไหวไหมไม่ไหวงั้นผัดสะนะเกิดซ้ําซากก็ไม่เอานะไอ้ที่ว่าดีที่ว่าดีนะดีซ้ําซากก็ไม่เอานะเบื่ออีกแล้วใจไม่เอาอีกละงั้นมีภัดสะนะแล้วใจเราเป็นยังไง ร, รู้ทันไปเรื่อยๆไม่ยากหรอก ฝึกเท่านี้แหละนะคอยรู้ทันใจตัวเองไปตามองเห็นแล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมารู้ทันถ้าเกิดสุขเกิดทุกข์เรารู้ทันตั้งแต่ตรงนี้นะมันก็ไม่เกิดโลภโกรธหลงอะไรตามมาถ้ารู้ไม่ทันมันก็เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงตามมาแล้วก็เกิดการดิ้นรนทางใจเกิดการหยิบฉวยเอารูปธรรมนามมารมเกิดทุกข์หนักหนาสาหัสขึ้นในใจ แต่ถ้าตามองเห็นแล้วเวทนาเกิดขึ้นมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นหูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นจมูกได้กลิ่นมีความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นนะลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งแล้วมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันรู้ทันตั้งแต่เป็นเวทนายังไม่ทันเป็นตัญหารู้ทันตั้งแต่มีเวทนาเกิดขึ้นนะสติปัญญาเกิดแล้วจะเห็นว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา เวทนาเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเองความสุขที่เกิดขึ้นเป็นแค่สภาวะอย่างหนึ่งมีเหตุก็เกิดนะคือกระทบอารมณ์ดีแล้วมีความสุขขึ้นมาพอไม่ได้กระทบอารมณ์ดีนะความสุขนั้นก็หายไปนะหมดเหตุมันก็ดับความสุขจะเกิดหรือความสุขจะดับสั่งไม่ได้นะนี่เรียกว่าอนัตตานะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็มีสติรู้ทันนะ มีสติรู้ทันจิตก็ไม่ปรุงอะไรต่อก็เห็นว่าความทุกข์ก็เป็นแค่สภาวะอันหนึง่งเกิดขึ้นมามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เช่นเดียวกับความสุขนั่นเองสุขกับทุกข์เลยเสมอการเสมอกันคือมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้แถมเสมอกันในแง่ที่มายุ่วยวนจิตให้ปรุงแต่งด้วย ความสุขก็ยั่วให้จิตปรุงได้มให้จิตดิ้นรนได้ความทุกข์ก็มายั่วให้จิตดิ้นรนได้เสมอภาคกันอีกนะงั้นถ้าคนไหนภาวนานะสติปัญญาว่องไวตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นที่ใจเรารู้ทันจะไม่ปรุงกิเลส ต, ต่อลนะแต่ถ้ารู้ไม่ทันปรุงกิเลส ต, ต่อละ mm hmm. เมื่อใดปรุงกิเลสนะ เมื่อนั้นจิตต้องดิ้นรนทํางานเมื่อไรจิตดิ้นรนทํางานเมื่อนั้นจะมีการหยิบฉวยเอารูปธรรมนามมาทําขึ้นมาเมื่อไรหยิบฉวยรูปธรรมนามมาทําขึ้นมาเมื่อนั้นความทุกข์ต้องเกิดขึ้นมีกิเลสก็เกิดการกระทํากรรมมีการกระทํากรรมก็เกิดวิบากกิเลสกับกรรมเนี่ยเขเรียกเป็นสหชาติปัจจัยกิเลสทําให้เกิดการกระทํากรรมก็จริงแต่เกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันเพราะงั้นถ้าเรา รู้ไม่ทันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เบทนาเกิดขึ้นรู้ไม่ทันนะจิตปรุงกิเลสขึ้นมาทันทีที่จิตปรุงกิเลสจิตก็ดิ้นรนทันทีเลยจิตดิ้นรนทันทีวิบากคือตัวทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีเลยมีกิเลสก็มีกรรมมีกรรมก็มีวิบากนะทํางานกันในขณะนั้นแหละนะเมื่อมันมีวิบากมันทุกข์ขึ้นมาแล้วทํำยังไงล่ะอยากให้ทุกข์หายไปได้ไหมอยากให้ทุกข์หายไม่ได้ ทุกเป็นวิบากทุกไม่ใช่กิเลสนะถ้ากิเลสมีอยู่เรามีสติรู้ทันกิเลสกิเลสจะดับทันทีแต่ตัววิบากไม่ดับทันทีเช่นเราเดินซุ่มซ่ามหัวไปโขกกาแพงเจ็บหัวนะมีสติรู้ว่าเจ็บไม่หายเจ็บหรอกต้องรับวิบากอีกช่วงหนึ่งหรือใจนะใจมันจะไปกระทบอารมณ์ไม่ดีแนละ้วมันหนักหนักแน่นๆ่นในหนนะ้าอกเนี่ยนะมันไม่เหมือนอย่างราคาตัวสามโมหะนะ ราคาตัสามโมหาถ้าสติะระลึกรู้ปับ๊บนะขาดสะบั้นทันทีเลยแต่ไอ้ก้อนแน่นๆกลางหน้าอกเนี่ยไม่หายทันทีหรอกต้องชดใช้มันใช้หนี้กรรมนะมันจะค่อยๆลดระดับแล้วก็สลายไปนะงั้นอย่างเราทํากรรมชั่วมากนะไอ้ก้อนนี้หนักมากเลยก้อนในใจเราเนี่ยหนักมากถ้าทําบุญมากนะก้อนนี้โปร่งโล่ ง, ลงเบานะสว่างสวยัยเวลาตายนะเหมือนลูกโปร่งสวรรค์นนะไอ้ตัวนี้มันเบามันก็ลอยขึ้นไป ถ้าเราสะสมของชั่วมากก็หนักใช่ไหมตายลงก็ลงต่ำไปนะเราเลือกทางเดินของเราเองทุกคนทุกคนนะยุติธรรมที่สุดเลยนะตัววิบากเนี่ยห้ามไม่ได้แก้ไม่ได้ต้องชดใชนะ้เพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปเกลียดความทุกข์นะยุติธรรมแล้วที่ได้รับความทุกข์นั้นนะเราได้ทำกรรมมาแล้วนะเราต้องได้รับวิบากหรือได้รับความทุกข์นั้น พระพุทธเจ้าถึงไม่ได้สอนให้ละทุกท่านบอกว่าทุกให้รู้ไม่ได้ให้ละนะแต่ให้ละอะไรให้ละความอยากเส้อความอยากอะไรอยากให้ทุกหายไปนั่นแหละตัวดนะีอยากจะมีแต่ความสุขความอยากมาเพราะกิเลสกิเลสมาอาศัยเวทน า, าเวทนามาเนี่ยเกิดมาโดยอาศัยการกระทบอารมณ์นะั้นะฝึกตัวเองนะให้มันชำนิชำนาน ฝึกให้สติเกิดบ่อยๆวิธีให้สติเกิดบ่อยๆก็คือหัดรู้สภาวะบ่อยๆพอตามองเห็นแล้วความสุกเกิดขึ้นในใจรู้สึกนะตามองเห็นแล้วความทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้สึกตามองเห็นแล้วความเฉยๆเกิดขึ้นในใจรู้สึกนะคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆไปนะง่ายๆไม่มีอะไรมากหรอกนะถ้ารู้ทันตั้งแต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องลำบากถ้ารู้ตรงนี้ไม่ทันนีน่เกิดกิเลสเกิด พบเกิดชาติเกิดทุกนั้นตรงนั้นต้องยอมรับสภาพนะแล้วก็ตามรู้มันไปรู้ทุกไปเรื่อยๆนะทุกเองก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันแต่ไม่ได้ดับเหมือนกิเลสนะสติเกิดมันยังไม่หายทีเดียวหรอกน ะ, ะวันนี้8ดโมงพอดียากไปไหมต้องซาวเสียงก่อนนะเขาเรียกอะไรนะสำรวจประชามติน ะ, ะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์